ทรงอนุญาตภิกษุเป็นไข้ให้ฉันอาหารในที่พักแรมได้ลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกระทาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเป็นไข่อยู่ฉันพัฒน า, าในที่พักแรมเป็นประจำได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้